ปู่ฝากไว้บันทึกกติธรรมและธรรมเทศนาของพระราบุทาจารย์หลวงปู่ดูลัตุโลรวบรวมบันทึกไว้โดยพระโพธิที่นันทมุนีคําชวนอ่านหลายท่านได้เรียกร้องถามหาถึงพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ ใครอยากจะได้ฟังได้อ่านอาจจมาภาพขอสารภาพตามความเป็นจริงว่าธรรมเทศนาหรือโอวาทของหลวงปู่เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งทั้งนี้เนื่องจากท่านไม่เคยเทศเป็นกันกันหรือแสดงเป็นเรื่องราวยาวๆเพียงแต่เมื่อสอนภาวนาหรือกล่าวตักเตือนลูกศิษย์หรือตอบคำถาม ตลอดสิงสนทนากับพระเทระอื่นๆหลวงปู่ก็จะกล่าวอย่างสั้นๆด้วยความระมัดระวังยกข้อธรรมะมากล่าวอย่างย่อๆนอกจากนี้ท่านไม่เคยแสดงในพิธีการงานใดอีกเลยเพื่อเป็นการสนองความต้องการแก่ท่านที่สนใจในกติธรรมคำสอนของหลวงปู่อาตมาภาพจึงพยายามรวบรวมธรรมะสั้นๆ ทั้งที่เป็นศาสรารล้วนๆหรือเป็นคำสอนคำเตือนและธรรมะที่ท่านกล่าวตอบคำถามของผู้ถามตลอดจนถึงพระพุทธพจน์บางตอนจากพระไตรปิฎกที่หลวงปู่ชอบยกขึ้นมาป่ารกให้ฟังเสมอเสมอเพราะได้อยู่กับหลวงปู่มาเป็นเวลานานานตลอดอายุขัยของท่านจากที่เคยบันทึกไว้บ้างหรือจำไว้บ้าง รวมไว้ในแหลังสือเล่นนี้เป็นครั้งแรกสิ่งที่น่าสังเกตและน่าอาัศจรรย์อย่างหนึ่งคือหลวงปู่มีปกติเป็นผู้ไม่พูดหรือพูดน้อยที่สุดแต่มีปฏิพันฑ์ไหวพริบเร็วฉับใบมากและไม่ผิดพลาดพูดสั้นยอ่อแต่ออมความหมายไว้อย่างสมบูรณ์คำพูดของท่านแต่ละประโยคมีความหมายและเนื้อหาจบลงโดยชิ้นเชิง เหมือนหนึ่งสกิบผู้ฟังหรือผู้ถามให้ฉุก ค, คิดอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ต้องใช้ความตึกตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้งอันหนึ่งท่านผู้อา่านอาจสงสัยว่าข้อธรรมะของหลวงปู่ในเล่มนี้เห็นมีทั้งธรรมะมแบบธรรมดาก็มีแบบชวนขบขันก็มีหรือแบบสัจธรรมล้วนๆก็มีทำไมจึงไม่เรียงลาดับให้ผู้อา่าน ผ่านได้จากง่ายไปหายากหรือต่ำไปหาสูงเป็นต้นที่ไม่เรียงลำดับไว้นั้นก็เพราะว่าข้อความของธรรมและเรื่องนั้นมีใจความจบลงเฉพาะหน้าแต่ละหน้าอยู่แล้วและถือว่าและถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศทางความคิดไปนในตัวด้วยหรือหากเป็นการไม่เหมาะสมประการใดโดยเป็นการบังอาจเกินควร หรือผิดพลาดบกพร่องประการใดขอท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายได้เมตตาอภัยแก่อาตมาผู้มีสติปัญญาอันน้อยนิดนี้ด้วยเถิดธรรมปฏิสันฐานเมื่อวันที่สิบแปดธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบสองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชนีนาธเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถามถึงสุขภาพอนาัยและการอยู่สําราญแห่งอริยบทของหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปพุทธฉาว่าหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิจชนาว่า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 ทรงมีพระดำรับคำสุดท้ายว่าขออาราธนาหลวงปู่ให้ดำรงขันอยู่เกินร้อยปีเพื่อเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนทั่วไปหลวงปู่รับได้ไหมทั้งๆ ท, ที่พระราชดำรับนี้เป็นสำ ม, มาวจีกรรมทรงประทานทรแก่หลวงปู่โดยพระราชอัธยาศัยหลวงปู่ก็ไม่กล้ารับและไม่อาจฝืนสังขาร จึงถวายพระพรว่าอาจะมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเองปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสีพระเถระฝ่ายกรร ม, มฐานเข้าถวายส ก, การะหลวงปู่ในวันเข้าพรรษา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 ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดภูบาศพผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งสนทนากับหลวงปู่ว่ากระผมเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันพระผู้ปฏจจิบัติถึงขัน้นบรรลุมรรคผลนิพพานก็คงมีอยู่ไม่น้อย เหตุใดท่านเหล่านั้นจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏเพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติทราบว่าท่านได้บรรลุถึงคุณธรรมนั้นๆแล้วเขาจะได้มีกำลังใจและมีความหวังเพื่อเป็นพลังเร่งความเพียรในทางปฏิบัติให้เต็มที่หลวงปู่กล่าวว่าผู้ที่เขาจสรู้แล้วเขาไม่พูดว่าเขารู้แล้วซึ่งอะไร เพราะสิ่งนั้นมันอยู่เหนือคําพูดทั้งหมดหลวงปู่เตือนพระผู้ประมาทภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทคอยนับจานวนศีลของตนแต่ในตำลราคือมีความพอใจภูมิใจกับจานวนศีลที่มีอยู่ในคาพีว่าตนนั้นมีศีลถึงสองร้อยี่สิเจ็ดข้อ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 ในรูปที่ไม่ตรงกันบ้างปรากฏอวัยวะร่างกายของตนเองบ้างส่วนมากมากราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไขหรือแนะายปฏิบัติต่ตอไปอีกมีจำนวนมากที่ถามว่าภาวนาแล้วก็เห็นนรกสวรรค์วิมานเทวดาหรือไม่ก็เป็นองค์พระพุทธรูปมาปรากฏอยู่ในตัวเราสิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือ หลวงปู่บอกว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงแนวิธีละนิมิตถามหลวงปู่ต่ออีกว่านิมิตทั้งหลายแหล่หลวงปู่บอกว่ายังเป็นของภายนอกทั้งหมด จะเอามาทำอะไรยังไม่ได้ถ้าติดอยู่ในมิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้นไม่ก้าวต่อไปอีกจะเป็นด้วยเหตุที่กระผมอยู่ในมิมิตนี้มานานหรืออย่างไรจึงหลีกไม่พ้นนั่งภาวนาทีไรพอจิตจะรวมสงบก็เข้าถึงภาวะนั้นทันทีหลวงปู่โปรดได้แนะนาวิธีละมิมิต ด, ด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะได้ผล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 เป็นของภายนอกเมื่อวันที่สิบธันวาสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่หลวงปู่อยู่ในงานประจำวัดธรรมมงคลสุขุมวิทกรุงเทพมีแน่ชีพรามหลายคนจากวิทยาลัยคูพากันเข้าไปถามทำนองรายงานผลของการปฏิบัติวิปัสนาให้หลวงปู่ฟังเขานั่งวิปัสนาจิตสงบแล้ว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 หลวงปู่แนะวิธีอธิบายธรรมะขั้นปรมัตย์ทั้งเพื่อสอนผู้อื่นแล่เพื่อปฏิบัติตนเองให้เข้าถึงสัจธรรมนั้นด้วยลงท้ายหลวงปู่ได้กล่าวปรจญาธรรมไว้ให้คิดด้วยว่าคิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั้นแหละจึงรู้ ทั้งส่งเสริมทั้งทำลายการครั้งนั้นหลวงปู่ได้ให้โอวาดเตือนพระธรรมทูตครั้งแรกมีใจความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายการที่จะออกไปจาริกเพื่อเผยแผ่ประกาศพระาศาสนานั้นเป็นไปได้ทั้งส่งเสริมพระาศาสนาและทำลายพระาศาสนาที่ว่าเช่นนี้ เพราะองค์ธรรมทูตนั่นแหละตัวสําคัญคือเมื่อไปแล้วประพฤติตัวเหมาะสมมีสมณสัญญาจริยวัดงดงามตามสมณวิสัยผู้ที่ได้พบเห็นหากยังไม่เลื่อมใสก็จะเกิดความเลื่อมใสขึ้นส่วนผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสมากขึ้นเข้าไปอีกส่วนองค์ที่มีความประพฤติแล้ววางตัวตรงกันข้ามนี้ ย่อมทำลายผู้ที่เลื่อมใสแล้วให้ถอยสรทาลงสำหรับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเลยก็ยิ่งถอยห่างออกไปอีกจึงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้พร้อมไปด้วยความรู้และความประพฤติไม่ตำ ม, มา d สอนเขาอย่างไรตนเองต้องทำอย่างนั้นให้ได้เป็นตัวอย่างด้วย เมื่อถึงปรมาติแล้วไม่ต้องการก่อนเข้าพรรษาปี2496หลวงพ่อถอกซึ่งเป็นญาติของหลวงปู่และบวชเมื่อวัยชราแล้วได้ออกธุดงติดตามท่านอาจารย์เทศท่านอาจารย์สามไปอยู่จังหวัดพังงาหลายปีกลับมาเยี่ยนนมัต ก, การหลวงปู่เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติทางกรรมฐานต่อไป อีกจนเป็นที่พอใจแล้วหลวงพ่อถอกพูดตามประษาความคุ้นเคยว่าหลวงปู่สร้างโบสถ์ศาลาได้ใหญ่โตสวยงามอย่างนี้คงได้บุญได้กุศลอย่างใหญ่โตทีเดียวหลวงปู่กล่าวว่าที่เรามีสร้างนี้ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สำหรับโลกสำหรับวัดวาศา ส, สนาเท่านั้นแหละ ถ้าพูดถึงเอาบุญเราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้เป็นการดับนิสัยหรือเปล่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลาหกปีผลได้ที่สงครามสากไว้ให้ก็คือความยากจ น, นข้นแค้นแสนเข็นด้วยความขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แผ่ปกคุมไปทั่วทุกห่อมยาโดยเฉพาะเครื่องนุ่มหม่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนรในวัดต่างๆมีสบงจีวรชุดเดียวก็บุญหนักหนาแล้วพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายลูกวันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสามเณรชุมพล ผมจีวรใหม่และสวยจึงถามว่าจีวรนี้ได้แต่ไหนมาสามเณรชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทําวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดท่านจิงประทานให้มาผืนหนึ่งเมื่อถึงวาระเนรพมจึงห่มจีวรขาดเข้าไปนวดเท้าหลวงปู่โดยคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกําลังจออกมา หลวงปู่เห็นจีวรขาดคงจะสงสารหลานอย่างจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้สามเณรพรมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวัง ทุกเพราะอะไรสุภาพสตรีไวเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้าไปในมสัส ก, การหลวงปู่พัลนาถึงฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะที่ดีไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจอบยมุกทุกอย่างทำลายทรัพย์สมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ ขอความการุณาหลวงปู่ให้ช่วยเนเอาบายวันเทาทุกและแก้ไขให้ลูกชายผลจากอบยมุกนั้นด้วยหลวงปู่ก็แนะนำสั่งสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆั้นตลอดถึงแนะอุบายทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นเมื่อสุภาพสตีนั้นกลับไปหลวงปู่ปารบธรรมให้ฟังว่าคนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์ เพราะความคิดอุทานธรรมหลวงปู่ยังกล่าวทรมัถาต่อไปอีกว่าสมบัติพัสถานทั้งหลายมันมีอยู่ประจำในโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาและไร้ความสามารถ ก็ไม่อาจจ ะ, สะแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้นได้ย่อมครองตนอยู่ด้วยความฝืดเคืองและลําบากขันผู้ที่มีปัญญามีความสามารถย่อมสแสวงหายึดสมบัติของโลกไว้ได้อย่างมากมายอํานวยความสะดวกแก่ตนได้ทุกกรณีส่วนพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพยายามดําเนินตนเพื่อออกจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในทางโลกมีสิ่งที่มีส่วนในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีอุทานธรรมต่อมาเมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องจิตกับสบรรพสิ่งทั้งปวงแล้วจิตก็หมดพันธะกับเรื่องโศก รูปรสเสียงกลิ่นสัมผัสจะดีหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งนั้นแล้วจิตก็ขาดปัญญาย่อมเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจของเครื่องร้อยรับทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจอันโทษพันทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้ส่วนโทษทางใจ มีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัดไว้ต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางความทุกข์จึงคอบงำไม่ได้อุทานทำข้อต่อมาเมื่อบุคคลปลงผมหนวดเคราออกหมดแล้ว และได้ครองผ้ากาสาวปรพักเรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นสดลักษ์แห่งความเป็นภิกษุได้แต่ยังเป็นไปได้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นต่อเมื่อเขาสามารถปรงสิ่งที่ลกลุงลังทางใจอันได้แก่อารมณ์ตกต่ำทางใจได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้ศีรษะที่ปรงผมหมดแล้ว จับเนื้คานเล็กน้อยเช่นเหาย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใดจิตที่พ้นจากอารมณ์ขาดจากการปรุงแต่งแล้วทุก์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้นผู้มีปกติอยู่เป็นอย่างนี้ควรเรียกเอาว่าเป็นภิกษุแท้พุทโธเป็นอย่างไร หลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปโปรดญาติโยมที่กรุงเทพเมื่อสามสิบเอ็ดมีนาสองพันห้า้อยี่สิบหนึ่งในช่วงสนทานาธรรมญาติโยมสงสัยว่าพุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้เนตตาตอบว่าเวลาภาวนาอย่าส่งจิตออกนอกความรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปยึดความรู้ที่เราเรียนกับตำรา หรือจากครูบาอาจารย์อย่าเอามายุ่งเลยให้กัดทารมออกให้หมดแล้วก็เวลาภาวนาไปให้มันรู้รู้จากจิตของเรานี่แหละจิตของเราสงบเราจะรู้เองต้องภาวนาให้มากๆเข้าเวลามันจะเป็นจะเป็นของมันเองความรู้อะไรอะไรให้มันออกจากจิตของเรา ความรู้ที่ออกจากจิตที่สงบนั่นแหละเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งที่สุดให้มันรู้จากจิตเองนั่นแหละมันดีคือจิตมันสงบทําจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียวอย่าส่งจิตออกนอกให้จิตอยู่ในจิตแล้วให้จิตภาวนาวเองให้จิตเป็นผู้บริจาพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละแล้วพุทโธนั่นแหละ จะผุดขึ้นในจิตของเราเราจะได้รู้จักว่าพุทธโธนั้นเป็นอย่างไรแล้วรู้เองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายอยากได้ของดีเมื่อต้นเดือนกันยาสองพันห้าร้อยยี่สิบหกคณะแม่บ้านมหาไทยโดยมีคุณจิงจวกจีรโรธ เป็นหัวหน้าคณะได้นําคณะแม่บ้านมหาไทยไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ทางภาคอีสานได้ถือโอกาสแวะนมัสาการหลวงปู่เมื่อเวลาสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีหลังจากกราบนามัสาการและถามถึงอาการสุขสบายของหลวงปู่และรับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่แล้วเห็นว่าหลวงปู่ไม่ค่อยสบายก็รีบออกมา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 ดิฉันมีภาระมากไม่มีเวลาจะนั่งภาวนางานราชการอยางนี้รัดตัวมากเหลือเกินหลวงปู่จึงต้องอธิบายให้ฟังว่าถ้ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับการภาวนามีแต่ไม่มี ปี 2,522 หลวงปู่ไปพักผ่อนและเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกินจังหวัดจันทบุรีขณะเดียวกันที่มีพระเทระอาวุโสรูปหนึ่งจากกรุงเทพคือพระธรรมวราลังการวัดบุพผาลามเจ้าคณะภาคทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกรรมฐานเมื่อไัวชลาแล้วเพราะมีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่เพียงปีเดียว เมื่อท่านทราบว่าหลวงปู่เป็นฝ่ายกรรมฐานอยู่แล้วท่านจึงสนใจและศึกษาถามถึงผลของการปฏิบัติทานองสนทนาธรรมกันเป็นเวลานานและกล่าวถึงภาระของท่านว่ามัวแต่ศึกษาและบริหารงานการคณะสงฆ์มาตลอดวัยชราแล้วก็สนทนาข้อกรรมฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานานลงท้ายถามหลวงปูส่สั้น ว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหมหลวงปูต่ตอบเร็วว่ามีแต่ไม่เอารู้ให้พร้อมระหว่างที่หลวงปู่อยู่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ น, นั้นมีผู้ไปกราบนมัส ก, การและฟังธรรมเป็นจำนวนมากคุณบำรุงศักดิ์กองสุข เป็นผู้หนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองกระตกบุญโยแห่งวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่เข้มขัดฝ่ายทุดงกรรมาฐานในยุคปัจจุบันได้ปรารถการปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ถึงเรื่องการละกิเลสว่าหลวงปู่ครับทาอย่างไรจึงจะตัดความโกรธให้ขาดได้ หลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองไม่ตามใจผู้ถามผู้ที่อยู่เฝ้าโรงพยาบาลหลวงปู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในรอบดึก มีจานวนหลายท่านด้วยกันเขาเหล่านั้นมีความสงสัยและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งโดยที่สังเกตเห็นว่าบางวันพอเวลาเด็กสงดตีหนึ่งผ่านไปแล้วได้ยินหลวงปู่อธิบายธรรมะนานประมาณสิบกว่านาทีแล้วสวดเจตถาให้ทำเหมือนหนึ่งมีผู้มารับฟังอยู่เฉพาะหน้าเป็นจานวนมากฉันจะถามประพฤติการที่หลวงปู่ทำเช่นนั้นก็ไม่กล้าถาม ต่อเมื่อเห็นหลวงปูท่ทำเช่นนั้นหลายครั้งก็ทนสงสัยต่อไปไม่ได้จึงพากันถามหลวงปู่ตามลักษณะการนั้นหลวงปู่จึงบอกว่าความสงสัยและคำถามเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติธรรมประหยัดคำพูด คณะปฏิบัติธรรมจากจังหวัดบุรีรําหลายท่านมีร้อยตํารวจเอกบุญชัยสุคนธรรมะายการจังหวัดเป็นหัวหน้ามากาบหลวงปู่เพื่อฟังข้อปฏิบัติธรรมและเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งส่วนมากก็เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่และองค์มาแล้วและแสดงแนวทางปฏิบัติไม่ค่อยตรงกันเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยยิ่งขึ้น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 ง่ายแต่ทำได้ยากคณะของคุณดวงพรทารีชัดจากสถานีวิทยุทหารอากาศศูนย์หนึ่งบางซื่อนำโดยคุณอาคมธรรมนิเทศเดินทางไปถวายพระ ป, ปา่าและกราบนักการคูบาอาจารย์ตามสานักต่างๆทางภาคอีสานได้แวะ ก, กราบนมักการหลวงปู่หลังจากถวายพระ ป, ปา่าจะจุดประใจัยัยทานแด่หลวงปู่ ไดอารับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากท่านแล้วต่างคนต่างก็ออกไปตลาดบ้างพักผ่อนตามปัญยาใส่บ้างมีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสี่ห้าคนเข้าไปกราบขอให้หลวงปู่แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ความกุ้มใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ผลเร็วที่สุดหลวงปู่บอกว่า อย่าส่งจิตออกนอกพิ้งเสียสุภาพสตีท่านหนึ่งเป็นชนชั้นคูบาอาจารย์เมื่อฟังธรรมปฏิบัติจัดหลวงปู่จบแล้วก็อยากทราบถึงวิธีไว้ทุกข์ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมเขาจึงป่ารบตอบไปอีกว่าคนสมัยนี้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 การไว้ทุกข์ที่ถูกต้องนั้นควรไว้อย่างไรเจ้าคะหลวงปู่บอกว่าทุก์ต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทำไมจริงตามความเป็นจริงสุภาพสตรีชาวจีนคนหนึ่ง ถวยายจักราและแด่หลวงปู่แล้วเขากราบเรียนว่าดิฉันจะต้องอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทํามาค้าขายอยู่ใกล้ยอดทางโน้นทีนี้บรรดาญาติญาติก็เสนอว่าควรจะขายของชนิดนั้นบ้างชนิดนี้บ้างตามแต่เขาจะเห็นว่าอะไรขายดีดิฉันยังมีความลังเลใจตัด ส, ส, สินเอาเองไม่ได้ว่าจะเลือกขายของอะไร จึงอยากให้หลวงปู่ช่วยแนะนำด้วยว่าจะให้ดฉันขายอะไรจึงจะดีเจ้าคะขายอะไรก็ดีทั้งนั้นแหละถ้ามีคนซื้อไม่ได้ตั้งจุดหมายไว้เมื่อวันที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าอยี่สิบสอง คณะนายทหารประมาณสิบกว่านายเข้านมันส ก, การหลวงปู่เมื่อเวลาค่ำแล้วก็จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพในคณะของนายทหารเหล่านั้นมียศพลโทสองท่านหลังจากสนทนากับหลวงปู่เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ถอดเอาพระเครื่องออกจากคอของแต่ละท่านรวมใส่ในพานถวายให้หลวงปู่ช่วยอธิษฐานแผ่เมตตาพลังจิตให้ท่านกานุโลมตามความประสงค์แล้วก็มอบให้คืนไป นายพลทหารท่านหนึ่งถามว่าทราบว่ามีเหรียหลวงปู่ออกมาหลายรุ่นแล้วอยากถามหลวงปู่ว่ามีรุ่นไหนดังบ้างหลวงปู่ตอบว่าไม่มีดังคนละเรื่องมีชายหนุ่มจากต่างจังหวัดไกลสามสี่คนเข้าไปหาหลวงปู่ ขณะที่ท่านนั่งพักผ่อนอยู่ที่มุมศาลากลางเปลี่ยนดูอากัปกิริยาของเขาแล้วคงคุ้นเคยกับพระนักเลงองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนแล้วสังเกตจากการนั่งการพูดเขานั่งตามสบายพูดตามถนัดยิ่งกว่านั้นเขาคงเข้าใจว่าหลวงปูน่นี้คงสนใจกับเรื่องเครื่องรางของขังอย่างดีเขาพูดถึงเกจิอาจารย์อื่นๆว่า ให้ของดีของวิเศษแก่ตนหลายอย่างในที่สุดก็งัดเอาขอมาอวดกันเองต่อหน้าหลวงปู่คนหนึ่งมีเชี่ยวหมูตันคนหนึ่งมีเชี่ยวเสืออีกคนหนึ่งมีนอแรดต่างคนต่างอวดอ้างว่าของตนดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีคนหนึ่งเอ่ยว่าหลวงปู่ฮะอย่างไหนแน่ดีกว่าวิเศษกว่ากันฮะ หลวงปู่ก็อารมณ์รื่นเป็นพิเศษยิ้มยิย้มแล้วว่าไม่มีดีไม่มีวิเศษอะไรหรอกเป็นของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันปารพธรรมะให้ฟังคราวหนึ่งหลวงปู่กล่าวปารพรธรรมให้ฟังว่า เราเคยตั้งจักรอ่านพระไตรปิฎกจนจบในพรรษาปี2495เพื่อสำรวจดูว่าจุดจบของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหนที่สุดแห่งัจธรรมหรือที่สุดแห่งทุกนั้นอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์ทรงกล่าวสรุปไว้อย่างไรฉันอ่านต่อไปติดตองไปจนกระทั่งถึงจบก็ไม่เห็นตรงไหนที่มีสัมผัสอันลึกซึ้งถึงจิตของเรา ให้ตัดสินได้ว่านี่คือที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งมรรคผลหรือที่เรียกว่านิพานมีอยู่ตอนหนึ่งคือครั้งนั้นพระสารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัติให ม, ใหม่พระพุทธเจ้าตรัสถามเชิงสนทนาธรรมว่าสารีบุตรสีผิวของเธอของใยยิ่งนักวันณะของเธอหมดจดผุดผ่องยิ่งนักอะไร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 จากธรรมศาสตร์นานแล้วมีความเลื่อมใสในทางปฏิบัติธรรมเคยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยเป็นเวลาหลายปีต่อมาเมื่อได้ยินเกติศัพดิ์หลวงปู่ดูลจึงลาหลวงปู่หลุยมาปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลตลอดถึงขอบัรปชาอุปสมบทอยู่ตลอดมาอยู่กับหลวงปู่พอสมควรแก่ความต้องการแล้วจึงกาบลา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 กับครูบาอาจารย์อื่นๆก็อยากจะไปกับเขาด้วยจึงไปลาหลวงปู่เมื่อหลวงปู่อนุญาตแล้วหลวงตาแนนกับวิตกว่ากระผมไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษาเขาพูดจะปฏิบัติกับเขาได้อย่างไรหลวงปู่แนะนําว่าการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับอาคติละพยัญชนะหรือคําพูดอะไรหรอก ที่รู้ว่าตนไม่รู้ก็ดีแล้ววิธีปฏิบัตินั้นส่วนวินัยให้พยายามดูแบบอย่างเขาแบบอย่างครูบาอาจารย์ผู้นำอย่าทำให้ผิดแผกจากท่านส่วนธรรมะให้ดูที่จิตของตัวเองปฏิบัติที่จิตเมื่อเข้าใจจิตแล้วยังอื่นก็เข้าใจได้เอง ภาระและปัญหาประจำการปกครองและการบริหารหมู่คณะใหญ่นอกจากจะต้องแก้ปัญหาเล็กใหญ่อย่างอื่นแล้วก็มีปัญหาขาดแคลนพระเจ้าอาวาสเราเคยได้ยินการแย่งเป็นสมภารกันแต่ลูกศิษย์หลวงปู่นั้นต้องบังคับให้เป็นสมภารไม่เว้นแต่ละปีที่มีญาติโยมยกขบวนมาขอให้หลวงปู่ส่งพระไปเป็นเจ้าอาวาส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 บินทบาฉันแล้วก็นั่งภาวนาเดินจงกรมทำความสะอาดลานวัดเข่งครับตามธรรมวินัยแค่นี้ก็พอแล้วการขอสร้างอะไรอะไรมันแล้วแต่ญาติโยมเขาจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เขาปารลธรรมะให้ฟัง หลวงปู่ส่งน้ำวันละหนึ่งครั้งเวลาบ่ายห้าโมงเฉพาะน้ำร้อนที่ผสมให้อุ่นแล้วกระทาอยู่อย่างนี้จนตลอดอายุไขัยของท่านโดยมีพระเนนผู้อยู่รับใช้ช่วยส่งน้ำถวายท่านหลังจากเช็ดตัวให้แห้งจิตใจปลอดโปร่งแล้วท่านมักจะปารกธรรมะให้ฟังแล้วแต่จะมีข้อธรรมะข้อใดปรากฏขึ้นในขณะนั้นเช่นครั้งหนึ่ง ท่านปารกว่าภิกษุเราถ้าปลูกความยินดีในเพศภาวะของตนได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขเยือเกเยนถ้าตัวเองอยู่ในเพศภิกษุแต่กลับไปยินดีในเพศอื่นภาวะอื่นความทุกข์ก็จะพับถมอยู่ร่ำไปหยุดกระหายหยุดสแสวงหาได้นั้นคือภิกษุภาวะโดยแท้ความเป็นพระนั้นยิ่งจน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 ถ้ายังประมาทอยู่ก็นับว่ายังไม่ได้รับรสชาติของพระศาสนาแต่ประการใดเลยสิ่งเหล่านั้นยังเป็นของภายนอกทั้งนั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์ อ, อนุชนรุ่นหลังหรือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้น คือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งคิดไม่ถึงสำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขาของหลวงปู่นั่นเองอยู่ด้วยกันเฉพาะพระประมาณห้าหรูปอยากจะเคร่งครับเป็นพิเศษถึงขั้นสมาทานไม่พูดกันตลอดพรรษาคือ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 อย่าตั้งใจไว้ผิดนอกจากหลวงปู่จะนำปัจ ญ, ญาธรรมที่ออกจากจิตของท่านมาสอนแล้วโดยที่ท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้วตรงไหนที่ท่านเห็นว่าสำคัญและเป็นการเปลียนใจในทางปฏิบัติโดยเข่งและลับพิสุทธิ์ท่านจะยกมากล่าวเตือนอยู่เสมอเช่นหลวงปู่ยกพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิษุทั้งหลาย พมาจาันนี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อให้คนมานิยมนับถือมิใช่เพื่ออนิสงราชากาละและสรรเสรญไมิใช่อนิสงเป็นเจ้าลัทธิหรือแก่ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พมาจาันนี้เราประพฤติเพื่อสังวระความสำรวมเพื่อปหานะความละเพื่อวิราคะ ความหายกำนักยินดีและเพื่อมิโลทะความดับทุกข์ผู้ปฏิบัติและนักบวชต้องมุ่งตามแนวทางนี้นอกจากแนวทางนี้แล้วผิดทั้งหมดพระพุทธคตทหลวงปู่ว่าตราบใดที่เป็นปุถุชนอยู่ตราบนั้นย่อมมีทิฐิ และเมื่อมีทิฏฐิแล้วยากที่จะเห็นตรงกันเมื่อเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาดกันอยู่รื่มไปสำหรับพระอริยะเจ้าผู้เข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรสำหรับมาโต้แย้งกับใครใครมีทิฏฐิอย่างไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปดังพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพิกสุทั้งหลายสิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายในโลก กล่าวว่ามีอยู่แม้เราจะถาคตก็กล่าวว่าสิ่งนั้นมีอยู่สินใดพันบัณฑิตทั้งหลายในโลกกล่าวนั้นไม่มีแม้เราจะถาคตก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราย่อมไม่วิวาสโต้เถียงกับโลกแต่โลกยอ่อมวิวาสโต้เถียงกับเรา ผู้ไม่มีโทษทางวาจาเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาสองพันห้า้อยี่สิบหกหลวงปู่กําลังอาภาพหนักพักรักษาอยู่ที่ห้องพระราชทานตึกจงกลุลนีโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์หลวงปู่สามอาคินจนโนเดินทางไปเยี่ยนหลวงปู่ถึงห้องพยาบาลขณะนั้นหลวงปู่กาลังนอนพักผ่อนอยู่เมื่อหลวงปู่สามขยับไปนั่งใกล้ชิดแล้วก็ยกมือไหว้ หลวงปู่ดูล็ยกมือรับไหว้แล้วต่างองค์ก็นั่งอยู่เฉยตลอดระยะเวลานานเมื่อสมควรแก่เวลาอย่างยิ่งแล้วหลวงปู่สามอุนมมืออีกครั้งพร้อมกับจํำนันว่ากระผมกลับก่อนหลวงปู่ดูลว่าคือตลอดเวลาเกือบสองชั่วโมงได้ยินเพียงแค่นี้เองเมื่อหลวงปู่สามกลับไปแล้วอดที่จะถามไม่ได้ว่าหลวงปู่สาม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 ท่านอึดอัดหรือรำคาญจนทนไม่ได้ถึงต้องบ่นอุบอิบอูออ้อีกับกรณีใดๆทั้งสิ้นเช่นไปเป็นประธานงานสถานที่ใดๆไม่เคยเป็นเจ้ากี้เจ้าการหรือฟื้นหรือให้เขาจัดแจงดัดแปลงใหม่หรือไปในสถานที่ที่เป็นกิจนิมนแม้จะต้องนั่งนานหรืออากาศอบอ้าวอย่างไรก็ไม่เคยบน่นเวลาเจ็ไข้ไม่สบาย หรื อ, อเผอิญอาหารมาไม่ตรงต่อเวลาแม้จะหิวกระหายแค่ไหนก็ไม่เคยบ่นหรือสำออยแม้แต่รสชาติอาหารจะจืด อ, อย่างไรก็ไม่เคยเรียกหาเครื่องปรุงเพิ่มเติมอะไรเลยตรงกันข้ามถ้าเห็นพระเทระไหนชอบเป็นเจ้าขี้โจ้การขี้บ่นทำสำออยให้คนอื่นเอาใจหลวงปู่ ม, มักปารกให้ฟังว่าแค่นี้อดทนไม่ได้หรือ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 เป็นเหตุที่ชวในให้ท่านดีพากิจารณใครๆให้เขาฟังสักอย่างท่านก็ไม่เคยท้อยตามหลายครั้งที่มีผู้ถามท่านว่าหลวงปู่ทําไมพระนักพูดนักเผยแผ่ระดับประเทศบางองค์เวลาพูดอุทเทศชอบพูดจงตีคนอื่นพูดเสียสีสังคมหรือพูดกระทบกระแทกพระเถระด้วยกันเป็นต้นพระพูดในลักษณะ น, นี้จ้างผมก็ไม่นับถือดอก หลวงปู่ว่าก็ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่อย่างนั้นท่านก็พูดไปตามความรู้ความถนัดของท่านนั่นแหละการจ้างให้นับถือไม่มีใครเผาจ้างหรอกเมื่อไม่อยากนับถือก็อย่าไปนับถือสิท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกพระหลอกผี ส่วนมากหลวงปู่ชอบแนะนำส่งเสริมพระเถระให้ใส่ใจเรื่องทุดงกรรมฐานเป็นพิเศษเลยครั้งหนึ่งพระสานุสิทธิ์มาชุมนุมกันจำนวนมากทั้งแก่พรรษาและอ่อนพรรษาหลวงปู่ชี้แนวทางว่าให้พากันไปอยู่ป่าหาทางวิเวกหรืออยู่ตามเขาตามถ้ำเพื่อเร่งความเพียรจะได้พ้นจากความตกต่ำทางจิตบ้าง ยังมีพระรูปหนึ่งพูดออกมาพริ้วๆว่าผมไม่กล้าไปครับเพราะผมกลัวผีหลวงปู่ตอบเร็วว่าผีที่ไหนไม่เคยหลอกพระมีแต่พระนั่นแหละหลอกผีและตั้งกระบวนการหลอกผีเป็นการใหญ่เสียด้วยคิดดูให้ดีนะวัตถุสิ่งของที่ชาวบ้านเขาเอามาบริจาคทาบุญนั้นแทบทั้งหมดล้วนทำเพื่ออุทิศส่งไปให้ผีทั้งนั้น ผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเขาแล้วพระเราประพฤติตนเหมาะสมแล้วหรือมีคุณธรรมอะไรบ้างที่จะส่งผลให้ถึงผีได้ระวังอย่ามาเป็นพระหลอกผีดีเหมือนกันแต่นักปฏิบัติที่ตื่นอาจารย์ตื่นสนักใหม่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 ยิ่งปัจจุบันนี้มีพระเทพดังๆมากที่อัดเทปเผยแพร่ได้อย่างมากมายมีอุบาสิกานักฟังผู้หนึ่งนำเทศนักเทพดังไปถวายให้หลวงปู่ฟังหลายมว้วนแต่หลวงปู่ไม่ได้ฟังเพราะตั้งแต่ท่านเกิดมายังไม่เคยมีพิทยุมีเทปกับเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือสมมติว่าถ้ามีท่านก็คงเกิดฟังไม่เป็นต่อมา มีผู้เอาเครื่องเทศไปเปิดให้หลวงปู่ฟังจนจบหลายม้วนแล้วถามท่านว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่ว่าดีเหมือนกันสำนวนโวการสลัดสลวยหน้าฟังทั้งรวยด้วยคำพูดแต่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้การฟังแต่ละครั้งนั้นควรให้ได้อัดพรธของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงจะเป็นสาระแก่นสาร นักปฏิบัติลังเลใจปัจจุบันนี้ศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนามีความงงงวยสงสัยอย่างยิ่งในแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสนใจเนื่องจากคณาจาร ย, ย, ย์ฝ่ายวิปัสสนาแนะแนวปฏิบัติไม่ตรงกันยิ่งกว่านั้นแทนที่จะอธิบายให้เข้าใจด้วยความเป็นธรรมก็กลับทําเหมือน ไม่อยากจะยอมรับคณาจารย์อื่นสนักอื่นว่าเป็นของถูกต้องหรือถึงขั้นดูหมิ่นสนักอื่นไปแล้วก็เคยมีน้อยๆดังนั้นเมื่อมีผู้สงสัยทํานองนี้มากและเรียนถามหลวงปู่อยู่บ่อยๆจึงได้ยินหลวงปู่อธิบายให้ฟังเสมอว่าการเริ่มต้นปฏิบัติที่ปัศนาภาวนานั้นจะเริ่มต้นโดวยวิธีไหนก็ได้เพราะผล มันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไปหลายแนวนั้นเพราะจริตของคนไม่เหมือนกันจึงต้องมีวัตถุสีแสงและคำบริกรรมเช่นพุทโธอ ร, รหังเป็นต้นเพื่อหาจุดใจจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อนเมื่อจิตรวมสงบแล้วคำบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเองแล้วก็ถึงรอยเดียวกัน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 แม้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอดมาก็ยากที่จะได้เห็นท่านแสดงอาการหมองคล้ำหรืออิดโรยหรือหน้านิ่วคิ้วขมวดออกมาให้เห็นท่านมีปกติสงบเย็นเบิกบานอยู่เสมอมีอาภาษน้อยมีอารมณ์ดีไม่ตื่นเต้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เผิอคอยตามคำสรรเสริญหรือคำตำหนิติเตียนมีครั้งหนึ่งท่ามกลางพระเถระฝ่ายวิปัสสนา สนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่ถึงปกติจิตที่อยู่เหนือความทุกข์โดยลักษณะาอาการอย่างไรหลวงปู่ว่าการไม่กังวลการไม่ยึดถือนั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัติตื่นอาจารย์นักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มีสองประเภท ประเภทหนึ่งเมื่อได้รับข้อปฏิบัติหรือคําแนะนําจากอาจารย์พอเข้าใจแนวทางแล้วก็ตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติไปจนสุดความสามารถอีกประเภทหนึ่งทั้งที่มีอาจารย์แนะนําดีแล้วได้ข้อปฏิบัติถูกต้องแล้วแต่ก็ไม่ตั้งใจทําอย่างจริงจังมีความเพียรต่ํขาขณะเดียวกันก็ชอบเที่ยวสแสวงหาอาจารย์ไปในสํานักต่างๆได้ยินว่า สำนักไหนดีก็ไปทุกแข่งซึ่งลักษณะนี้มีอยู่มากหลวงปู่เคยแนะนำลูกศิษย์ว่าการไปหลายสำนักอาจารย์การปฏิบัติจะไม่ได้ผลเพราะการเดินหลายสำนักนี้คล้ายกับการเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ไปเรื่อยเราก็ไม่ได้หลักธรรมที่แน่นอนบางทีก็เกิดความลังเลงงงวยจิตก็ไม่มั่นคงและการปฏิบัติก็เสื่อม ไม่จริญคืบหน้าต่อไปจับกับวางนักศึกษาธรรมะหรือนักปฏิบัติธรรมมีสองประเภทประเภทหนึ่งศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงประเภทสองศึกษาปฏิบัติเพื่อจะอวดภูมิกัน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 ยังช่วยต่อให้หน่อยหนึ่งว่าผู้ใดหลงไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกได้แต่ผู้ที่จะพ้นทุกได้ต้องอาศัยตำราและอาจารย์เหมือนกันทำจิตให้สงบได้ยากการปฏิบัติภาวนาสมาธินั้นจะให้ได้ผลเร็วช้าเท่าเทียมกัน เป็นไปไม่ได้บางคนได้ผลเร็วบางคนก็ช้าหรือยังไม่ได้ผลลิมลดแห่งความสงบเลยก็มีแต่ก็ไม่ควรท้อถอยก็ชื่อว่าเป็นผู้ได้ประกอบความเพียรทางใจยอมเป็นบุญเป็นกุศลขั้นสูงต่อจากการบริจาคทานรักษาศีลเคยมีลูกศิษย์เป็นจานวนมากเรียนถามหลวงปู่ว่าพุษาพยายามภาวนาสมาธินานมาแล้ว แต่จิตไม่เคยสงบเลยแส่เอาไปข้างนอกอยู่เรื่อยมีวิธีอื่นใดบ้างที่พอจะปฏิบัติได้หลวงปู่เคยแนะนำวิธีอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจิตไม่สงบก็ไม่ควรให้มันออกไปไกลใช้สติระลึกไปแต่ในกายนี้ดูให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภสัญญาหาสาระแก่นสารไม่ได้ เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้วจิตก็เกิดความสลดสังเวชเกิดนิพิทาความนายคลายกำนับยอมตัดถุปาทานขันได้เช่นเดียวกันหลักธรรมแท้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติชอบพูดถึงคือชอบโจทย์ขานกันว่านั่งภาวนาแล้วเห็นอะไรบ้าง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 หรือมักง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติของพระเนนหลวงปู่จึงสรรหาคำสอนคำตักเตือนไว้อย่างลึกซึ้งว่าขารัสชนญาตโยมทั่วไปเขาประกอบอาชีพการงานด้วยความลำบากเพื่อให้ได้มาสิ้นวัตถุข้าวของเงินทองมาเลี้ยงครอบครัวลูกหลานของตนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรเขาก็ต้องต่อสู้ ขณะเดียวกันเขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยจึงพยายามเสียสละทําบุญลุกขึ้นแต่เช้าหุงหาอาหารอย่างดีคอยใส่บาตรก่อนใส่เขายกอาหารขึ้นท่วมหัวแล้วตั้งฉิดอธิษฐานหลังใส่แล้วก็ถอยไปย่อตัวยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่งที่เขาทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการบุญต้องการกุศล จากเรานั่นเองแล้วเราล่ะมีบุญกุศลอะไรบ้างที่จะให้เขาได้ประพฤตินตนให้สมควรที่จะรับเอาของเขามากินแล้วหรือหนักๆ ก, ก็มีบ้างพระอาจารย์สำเร็จบวชมาตั้งแต่ใบเด็กจนอายุใกล้หกสิบปีแล้ว เป็นพระฝ่ายวิปัสนาปฏิบัติเค้่งครัดชื่อเสียงดีมีคนเคารพนับถือมากมายแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดจิตใจเสื่อมลงเนื่องจากไปหลงรักลูกสาวของโยมอุปถาถึงขั้นมาขอลาหลวงปู่ศึกไปแต่งงานทุกคนตกตะลึงกับข่าวนี้มากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะปฏิปทาของท่านเป็นที่ยอมรับว่า จะต้องอยู่ใกล้สมณวิสัยจนตลอดชีวิตหากเป็นเช่นนั้นไปก็จะเป็นการเสื่อมเสียแก่วงการฝ่ายวิปัสสนาอย่างยิ่งพระเถระคณะสงฆ์และสานุรสิทธิ์ของท่านจึงช่วยกันป้องกันทุกวิีทางเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจที่จะคิดสึกเสียโดยเฉพาะหลวงปู่เรียกมาตักเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรก็ไม่สำเร็จสุดท้ายอาจารย์สำเร็จกล่าว ตอหลวงปู่ว่ากับผมอยู่ไม่ได้เพราะนั่งภาวนาทีไร <c oughs> ก็เห็นหน้าเขามาล่องลอยปรากฏอยู่ต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาหลวงปูต่ตอบเสียงดังว่า <c oughs> ก็ไม่ภาวนาดูจิตของตัวเองไปภาวนาดูก้นของเขามันก็เห็นแต่ก้นของเขาอยู่ร่ำไปนั่นแหละไปอยากไปไหนก็ไปไปตามสบายไปเถอะ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 ทำโดยกิยริยาบางครั้งอาตมานึกไม่สบายใจเก่งว่าตัวเองจะมีบาปที่เป็นผู้มีส่วนให้หลวงปู่ต้องแรกเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านไม่สนใจหรือไม่ถนัดใจครั้งแรกคือวันนั้นหลวงปู่ไปร่วมงานเปิดพิพิธภัณฑ์บริฐานท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครมีพระเถระฝ่ายวิปัศนามาก ประชาชนก็มากเขาเหล่านั้นจึงถือโอกาสเข้าหาครูบาอาจารย์ทั้งเพื่อกราบเพื่อขอจึงมีหลายคนที่มาขอให้หลวงปู่เป่าหัวเมื่อเห็นท่านเฉยอยู่จึงขอร้องท่านว่าหลวงปู่เป่าให้เขาให้แล้วๆไปท่านจึงเป่าให้ต่อมาเมื่อเสียไม่ได้ก็เจิมรถให้เขาทนอ้อนวอนไม่ได้ก็อ น, นุญาตให้เขาทาเหรียญ อดสงสารไม่ได้ก็จุดเทียนชัยให้และเข้าพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลแต่ก็มีความสบายใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อฟังคำพูดหลวงปู่ว่า mm hmm. การกระทำของเราในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกิริยากายภายนอกที่เป็นไปในสังคมหาใช่เป็นกิริยาจิตที่นำไปสู่พบภูมิหรือมรรคผลนิพพานแต่ประการใดไม่ ปาลารกธรรมะให้ฟังคำสอนทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขานนั้นเป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเองคำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมายแต่ทางที่ดับทุกได้มีทางเดียวพระนิพพา น, านการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนะักหากปล่อยโอกาสให้ผ่านไป เราจะหมดโอกาสพ้นทุกได้ทันในชาตินี้แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนานเพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วรีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสียมิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไปเพราะเมื่อสัจธรรมถูกลืมความมืดมนย่อบครอบงำปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนาน ปรารภธรรมะให้ฟังไม่ใช่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ว่าปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมุติไม่ทําให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ต้องอาศัยปัญญาอริยมรรคจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เช่นไอน์สไตน์มีความรู้มาก มีความสามารถมากแยกปรมนูที่เล็กที่สุดจนเข้าถึงมิติที่สี่แล้วแต่อายะตายไม่รู้จักพระนิพพานจึงเข้าพระนิพพานไม่ได้จิตที่แจ้งในอรยิยมรรคเท่านั้นจึงเป็นไปเพื่อการตัดสรู้จริงตัดสรู้ยิ่งตัดสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพาน วิธีระงับดับทุกขแบบหลวงปู่ระหว่างพศ2520โลกธรรมฝ่ายอนิจจารมกำลังครอบงมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยอย่างหนักคือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกลินทาและทุกขแน่นอนความทุกโศกอันนี้ย่อมปกคลุมถึงบุตรภรรยาด้วยจึงมีอยู่วันหนึ่ง คุณหญิงคุณนายหลายท่านได้ไปนมัส ก, การหลวงปู่ภาลานาถึงความทุกโศกที่กำลังได้รับเพื่อให้หลวงปู่ได้แนะนำหรือช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ท่านจะเมตตาหลวงปู่กล่าวว่าบุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้น มันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วเมื่อกล่าวถึงสัจธรรมแล้วย่อมลงสู่กระแสเดียวกันมีท่านผู้คงแก่เรียนหลายท่านชอบถามว่าคำกล่าวหรือเทศของหลวงปู่ดูคล้ายนิกายเซนหรือ ค้ายมาจากสูตรว้่ยหลังเป็นต้นอัตมาเรียนถามหลวงปู่ก็หลายครั้งในที่สุดท่านกล่าวอย่างเป็นกลางว่าสัจธรรมทั้งหมดมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะรู้สัจธรรมนั้นแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเพราะอัธยาศัยของสัตว์ไม่เหมือนกันยากบ้างประนีบบ้างพระองค์จึงเปลือนคาสอนไว้มากถึง 8 4ด0มืสี่พันพระธรรมขัน์เมื่อมีนักปราชญ์ฉลา ด, ลาดสรรหาคำพูดให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะอธิบายสัจธรรมนั้นนำมาตีแผ่เผยแจ้งแก่ผู้มุ่งสัจธรรมด้วยกันเราย่อมจะต้องอาศัยแนวทางในสัจธรรมนั้นที่ตนเองใค่ตองเห็นแล้วว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนำแผ่ออกไปอีกโดยไม่ได้คำนึงถึงคำพูด หรือไม่ได้ยึดติดในอักขระพ ย, ยัญชนะตัวใดเลยแม้แต่น้อยและเอียดหลวงพ่อเบตวัดต่าโคกม่อนได้เข้าสนทนาธรรมถึงการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาเล่าถึงผลของการปฏิบัติขั้นต่อๆไปว่าได้บำเพ็ญสมาธิภาวนามานาน ให้จิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้เป็นเวลานานๆก็ได้คําถอยออกจากสมาธิบางทีเกิดความสุขอิ่มเอิบอยู่เป็นเวลานา น, านบางทีก็เกิดความสว่างสวยัยเข้าใจสัพพางกายได้อย่างครบถ้วนหรือจะมีอะไรต้องปฏิบัติต่อไปอีกหลวงปู่ว่าอาศัยพลังอัปปนาสมาธินั่นแหละมาตรวจสอบจิต แล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดอย่าให้เหลืออยู่ว่างในสมัยต่อมาหลวงพ่อเบตรพร้อมด้วยพระสหธรรมิกอีกสองลูกและมีคฤาหัดหลายคนด้วยเข้านมัส ก, การหลวงปู่หลังจากหลวงปู่ได้แนะนำข้อปฏิบัติแก่ผู้ที่เข้ามาใหม่หลวงพ่อเบต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 ไปอยู่กับอารมณ์ละเอียดก็ได้จึงต้องหยุดความคิดทั้งตัวเสียแล้วปล่อยให้ตั้งอยู่บนความไม่มีอะไรเลยไม่ค่อยจมกระผมได้อ่านประวัติการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เมื่อสมัยเดือนธุดงค์ว่าหลวงปู่เข้าใจเรื่องจิตได้ดีว่าจิตตรุงกิเลสหรือว่าตตกิเลส ต, ตรุงจิต ข้อนี้หมายความว่าอย่างไรหลวงปู่อธิบายว่าจิตปรุงกิเลสคือการที่จิตบังคับให้จายวาจาใจกระทำสิ่งภายนอกให้มีให้เป็นให้ดีให้เหลวให้เกิดบิบากได้แล้วยึดติดอยู่ว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนของเราของเขากิเลสปรุงจิตคือการที่สิ่งภายนอก เข้ามาทำให้จิตเป็นไปตามอำนาจของมันแล้วยึดว่ามีตัวมีตนอยู่สำคัญผิดจากความเป็นจริงอยู่ร่ำไปรู้จากการเรียนกับรู้จากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติที่กระผมจำตากตำลาและฟังครูสอนนั้น จะตรงเนื้อหาตามที่หลวงปู่เข้าใจหรือหลวงปู่อธิบายว่าศีลคือปกติจิตที่อยู่ปฏิจจากโทษเป็นจิตที่มีเกราะบางังป้องกันการกระทําชั่วทุกอย่างสมาธิผลสืบเนื่องจากการรักษาศีลคือจิตที่มีความมั่นคงมีความสงบเป็นพลังที่จะส่งต่อไปอีกปัญญาผู้รู้คือจิตที่ว่างเบาสบาย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 เรื่องกินกระผมได้ปฏิบัติทางจิตมานานก็พอมีความสงบอยู่บ้างแต่มีปัญหาทางอาหารบริโภคเนื้อสัตว์คือเพียงแต่เห็นก็นึกเวทนาไปถึงเจ้าของเนื้อนั้นว่าเขาต้องสูญเสียชีวิตเพื่อเราบริโภคแคแท้คล้ายกับว่าเราผู้ปฏิบัติจะขาดเมตตามากไปเมื่อเกิดความกังวลใจเช่นนี้ก็ทาความสงบใจได้ยาก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 สมัยต่อมาประมาณสี่เดือนภิกษุกลุ่มนั้นมากาบเรียนหลวงปู่อีกหลังจากออกพรรษาแล้วบอกว่าพวกกระผมฉันเจมาตลอดพรรษาด้วยความยากลำบากยิ่งเพราะญาติโยมแถวบ้านโคกกลางอำเภอประสาทนั้นไม่มีใครรู้เรื่องอาหารเจเลยลำบากด้วยการแสวงหาและลำบากแก่บญาติโยมผู้อุปถัมภ์บางลูกสูงสุขภาพไม่ดีบางลูก เกือบไม่พ้นทันษาการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหลวงปู่ว่าภิกษุเมื่อจะบริโภคปัจจัยสี่ต้องพิจรารณาเสียก่อนครั้นเมื่อพิจรารณาแล้วเห็นว่าอาหารที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้านี้แม้จะมีผักบ้างเนื้อบ้างปลาบ้างเข้าสุกบ้างแต่ก็เป็นของบริสุทธิ์โดยส่วนสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน และเขาไม่ได้ค่าเพื่อเจอดจงเราและเราก็สแสวงหามาโดยชอบทำแล้วญาติโยมเขาก็ถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใสก็พึงบริโภคอาหารนั้นไปครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันเรื่องกินอย่างไม่จบ เมื่อวันแรมสองค่ำเดือนสามพุทธศักราช2522หลวงปู่พักอยู่ที่วัดป่าประโคนชัยเวลาสองทุ่มผ่านไปแล้วมีภิกษุกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบเดินธุดงไปตามที่ชุมชนต่างๆได้แวะเข้าไปพักที่วัดป่านั้นด้วยหลังจากแสดงความคารวะตามสมณวิสัยแล้วก็กล่าวถึงจุดเด่นที่เขายึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่า ผู้บริโภคเนื้อสัตว์คือผู้สนับสนุนให้คนฆ่าสัตว์ผู้บริโภคผักมีจิตเมตตาสูงสามารถพิสูจน์ได้ว่าเมื่อหันไปบริโภคผักแล้วจิตใจสงบเย็นดีขึ้นหลวงปู่ว่าดีทีเดียวแหละท่านผู้ใดสามารถฉันมังสวิรัตได้ก็เป็นการดีมากขออนุโมทนาสาธุด้วย ส่วนท่านที่ยังฉันมังสะอยู่หากมังสะเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์โดยส่วนสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยว่าเขาเจาะจงได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ผิดธรรมผิดวินัยแต่อย่างใดอันหนึ่งที่ว่าจิตใจสงบเยือกเย็ยนดีนั้นก็เป็นผลเกิดขึ้นจากพลัง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 ค้ากำไรเกินควรบ้างแต่กระผมก็มีความสนใจในเรื่องใสในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างยิ่งแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติมาบ้างแล้วโดยลำดับแต่บางท่านบอกว่าภาระหน้าที่อย่างผมนี้มาปฏิบัติภาวนาไม่ได้ผลหรอกหลวงปู่เห็นว่าอย่างไรเพราะเขาว่าขายของเอากาไรก็เป็นบาปอยู่หลวงปู่ว่า เพื่อดำรงชีพอยู่ได้ทุกคนต้องมีอาชีพการงานและอาชีพการงานทุกสาขาย่อมมีความถูกต้องความเหมาะสมความควรอยู่ในตัวของมันเมื่อทำให้ถูกต้องพอเหมาะพอควรแล้วไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญแต่ประการใดส่วนการประพฤติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นย่อมสมควรแก่การงานทุกกรณี ความหลังยังฝังใจครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปพักผ่อนที่วัดป่าภูทาปจิษพระเนรจำนวนมากมายกราบนมัสการหลวงปู่ฟังโอวาทของหลวงปู่แล้วหลวงตาพลอยผู้บวชเมื่อแก่แต่สำรวมดีได้ปาลบถึงตนเองว่ากระผมบวชมาก็นานพอสมควรแล้วยังไม่อาจตัดห่วงอาลัยในอดีตได้แม้จะ ต, ตั้งใจอย่างไร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 หลวงปู่กับเกจีอาจารย์เมื่อประมาณพศ2520หลวงปู่รับนิมนต์ไปร่วมพิธีกรรมที่วัดธรรม ม, มงคลสุขุมวิทในงานนี้ท่านรับนิมนต์เข้าไปนั่งปกในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วออกมานั่งพักในกุฏิเล็กๆแห่งหนึ่งสนทนากับเหล่าศาสนุิศิษย์ที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพ เป็นจำนวนหลายรูปและคงจะมีรูปใดรูปหนึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นหลวงปู่เข้าพิธีพุท ธ, ธาพิเศษพึ่งเห็นครั้งนี้เองเช่นนี้กระมังหลวงปู่จึงว่าอาจารย์องค์อื่นๆเขานั่งปลงนั่งพุท ธ, ธาพิเศษอย่างไรเราไม่รู้ส่วนตัวเรานั่งทำสมาธิอย่างเดียวตามแบบสบับของเรา อยากเรียนเก่งหนูได้ฟังคุณตาสรนักกองสุขแนะนําว่าถ้าใครอยากเรียนเก่งและฉลาดต้องหัดนั่งภาวนาทําสมาธิให้ใจสงบเสียก่อนหนูอยากจะเรียนเก่งอยากฉลาดอย่างเขาจึงพยายามนั่งภาวนาทําใจให้สงบแต่ใจมันก็ยังไม่ยอมสงบสักทีบางทีก็ยิ่งเลีความฟุ้งซ่านมากขึ้น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 ไปทุดงเพื่ออะไรพระเนนบังคุมหลังจากออกพรรษาแล้วนิยมพากันออกเที่ยวทุดงไปในที่ต่างๆมีการตัดเตรียมบริการหรือชุดทุดงกันอย่างครบเครื่องแต่ในการไปนั้นมีอยู่หลายรูปที่ไปแบบผิดเป้าหมายเช่นทรงเครื่องกรรมฐานไปรถทัวร์รถไฟบ้างเที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงตามสำนักต่างๆบ้าง หลวงปู่จึงกล่าวท่ามการคณะกรรมฐานว่าการกระทำตนเป็นพระธโดงรูปงามนั้นยอน่อมไม่ควรผิดวัตถุประสงค์ของการเดินธโดงทุกองค์พึงสมเนียดให้มากว่าการประพฤติธโดงกรรมฐานนั้นมุ่งการฝึกฝนขัดเกล่จิตใจให้ปราศจากกิเลสประการเดียวเท่านั้น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 สมองมึนล ง, งแต่กระผมก็ยังศรัทธาว่าหลวงปู่สอนไว้ย่อมไม่ผิดพลาดแน่ขอสร้างอุบายวิธีคิดต่อไปด้วยหลวงปู่บอกว่าก็แสดงถึงความผิดพลาดอยู่แล้วเพระบอกให้หยุดคิดหยุดนึกก็กลับไปคิดที่จะหยุดคิดเสียอีกเล่าแล้วอาการหยุดจะอุบัติขึ้นได้อย่างไร จงกำจัดอวิชชาแห่งการหยุดคิดหยุดนึกให้สิ้นล้มเลิกความคิดที่จะหยุดคิดเสียก็สิ้นเรื่องผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแรมสองข้ามเดือนสิบเอ็ดเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ซึ่งพอดีกับวันออกพรรษาแล้วได้สองวันของทุกปีสามสิทธิ์ทั้งฝ่ายปริยัติ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 ด้วยการอ่านการฟังสิ่งที่ได้คือสัญญาความจำได้การศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติสิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติก็คือภูมิธรรมมีจุดเดียวในนามสัตวิวิหาริศของหลวงปู่มีพระมหาทวีสุขสอบปเปลี่ยนก้าวประโยค ได้เป็นองค์แรกทางวัดบูรพารามจึงจัดฉลองพัดประโยคเก้าถวายหลังจากพระมหาธวีสุขถวายกัการละแก่หลวงปู่แล้วท่านได้ให้โอวาสแบบปารบธรรมะว่าผู้ที่สามารถสอบรเรียนเก้าประโยคได้นั้นต้องมีความเพียรอย่างมากและมีความฉลาดเพียงพอเพราะถือว่าเป็นการจบหลักสูตรฝ่ายปรยิญญา และต้องแตกฉานในพระไตรปิฎกการสนใจทางปริยัติอย่างเดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องสนใจปฏิบัติทางจิตต่อไปอีกด้วยหลวงปู่กล่าวว่าพระธรรมทั้งแปด0 0ืสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นอะไรได้ที่จิต โลกกับธรรมวันที่12มีนาคม2522หลวงปู่ไปพักผ่อนวินเวกอยู่ที่ถ้ำสีแก้วภูพานสกลคนครเป็นเวลาสิบกว่าวันคําวันสุดท้ายที่หลวงปู่จะเดินทางกลับพระอาจารย์สุวัตรพร้อมพระเนในวัดเข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อเป็นการอำลาให้หลวงปู่ท่านกล่าวว่า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 ควรถามหรือไม่ผู้สนใจในทางปฏิบัติหลายท่านไม่ว่าบรรชิตหรือคฤุษหักบางท่านนอกจากจะตั้งใจปฏิบัติเอาเองแล้วยังชอบเที่ยวสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญในการแนะนำสั่งสอนฟังธรรมจากท่านเป็นต้นก็มีพระนักปฏิบัติคณะหนึ่งจากภาคกลางไปพักอยู่หลายวันเพื่อฟังธรรม และเรียนถามกรรมฐานกับหลวงปู่องค์หนึ่งพนานาความรู้สึกของตนว่ากระผมเข้าหาครูบาอาจารย์มาก็หลายองค์แล้วท่านก็สอนดีอยู่หรอกแต่ส่วนมากมักสอนเรื่องระเบียบภินในหรือวิธีทุดงกรรมฐานและความสุขความสงบอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นส่วนหลวงปู่นั้นสอนทางลับถึงสิ่งสุดยอดอนัตตาสุญญาตา ถึงพระนิพพานกระผมขออภัยที่รังอาจถามหลวงปู่ตรงๆว่าการที่หลวงปู่สอนเรื่องนิพพานนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปู่ถึงนิพพานแล้วหรือยังหลวงปู่ปารกว่าไม่มีอะไรจะถึงและไม่มีอะไรจะไม่ถึงการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไร หลวงพ่อเบสซึ่งเป็นญาติอย่างใกล้ชิดของหลวงปู่อยู่ที่วัดโคกหมอ่อมแม้ท่านจะบวชเมื่อววยชลาแต่ก็เค้่งครัดต่อการปฏิบัติทุดงกรรมฐานอย่างยิ่งหลวงปู่เคยยกย่องว่าปฏิบัติได้ผลดีวันหนึ่งท่านอ า, าพาธหนักใกล้สะมรณาภาพแล้วท่านปรากฏว่าอยากเห็นหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลาตายอาจมาเรียนหลวงปู่ให้ทราบเมื่อหลวงปู่ไปถึง หลวงพ่อเบสลุกขึ้นกาบแล้วล้มตัวลงนอนตามเดิมโดยไม่พูดอะไรแต่มีอาการยิ้นและสดชื่นเห็นได้ชัดขณะนั้นสุรเสียงอันชัดเจนและนุ่มนวลของหลวงปู่ก็มีออกมาว่าการปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมาก็เพื่อจะใช้ในเวลานี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาจะตายให้ทำจิตให้เป็นหนึ่ง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 ในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งฉะฉานกว่าใครเขากล่าวว่าดิฉันเห็นว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องมาวิปัสสนาอะไรให้มันลำบากลำบนนักเพราะปีหนึ่งหนึ่งดิฉันก็ฟังเทศมหาชาติจบทั้งสุดสามกันตั้งหลายวัดท่านว่าอั น, นิสงการฟังเทศมหาชาตินี้จะได้ถึงาศาสนาพระสีอาริ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 เสีได้ในความสนุกเพลิดเพลินแบบโลกล้วนๆจนไม่อยากละมาปฏิบัติธรรมท่านแนะนำชวนคิดให้เห็นชัดว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสำรวจดูความสุขว่าตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิตค้นสำรวจดูแล้วมันก็แค่นั้นแหละแค่ที่เราเคยรู้เคยพบมาแล้วนั่นเองทําไมจึงไม่มากกว่านั้น มากกว่านั้นไม่มีโลกนี้มีอยู่แค่นั้เองแล้วก็ซ้ำๆซากากอยู่แค่นั้นเกิดแก่เจ็บตายอยู่ลรา่มไปมันจริงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่าประเสริฐกว่านั้นปลอดภัยกว่านั้นพระอดิฎเจ้าทั้งหลายท่านจริงสละสุขส่วนน้อยนั้นเสียเพื่อสแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกายสงบจิตสงบกิเลสเป็นความสุขที่ปลอดภัย หาสิ่งใดเปลีย่ยนไม่ได้เลยไม่ยากสำหรับผู้ไม่ติดอารมณ์วัดบูรพารามที่หลวงปู่ประจำอยู่ตลอด50ปีไม่ได้ไปจำบรรษาที่ไหนเลยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหน้าสาลากลางติดกับสารจังหวัดสุรินทร์ด้วยเหตุ น, นี้ จึมีเสียงบรบกวนความสงบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูงานช้างแฝงหรือฤดูเทศกาลแต่ละอย่างแสงเสียงอระทึกครึกครื้นตลอดเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างภิกษุสมัมมเนนผู้มีจิตใจยังอ่อนไหวอยู่ยอมได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างยิ่งเมื่อนำเรื่องนี้กราบเรียนหลวงปู่ทีไลก็ได้รับคาตอบทานองเดียวกันทุกครั้งว่า มัวสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นธรรมดาแสยงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างก็หมดเรื่องจงทําตัวเราไม่ให้เป็นปฏิบัตษกับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เองเพียงแต่ทําความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเอง ฟังทีฟังแล้วก็งงและทึ่งอาตมามีส่วนเสียอยู่อย่างหนึ่งคือชอบถามหรือพูดกับหลวงปู่แบบที่เล่นทีจริงอยู่เรื่อยทั้งนี้ก็เพราะหลวงปู่ไม่เคยถือท่านเป็นกันเองกับพระเนนผู้ใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอเช่นถามท่านว่าในตํารากล่าวว่ามีเทวดามาชุมนุมฟังเทศหรือมาเฝ้าพระพุทธเจ้า หลายสิบโกดนั้นจะมีสถานที่บรรจุพอหรือเสียงดังทั่วถึงกันหรือเมื่อได้ฟังหลวงปู่ตอบแล้วก็งงงงและอาจจะจย์ใจอย่างยิ่งเพราะไม่เคยพบในตำราและไม่เคยได้ยินมาก่อนและยิ่งกว่า น, นั้นเพิ่งจะได้ฟังท่านพูดเมื่ออ า, าพาธหนักแล้วใกล้จะมรณาภาพด้วยหลวงปู่ตอบว่าเทวดาจะมาชุมนุมกันจานวนกี่ล้านโกด ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะในเนื้อที่หนึ่งปรมานูเทวดาอยู่ได้ถึงแปดองค์แบบมโนสาเล่ก็เคยตอบปัญหาโลกแตกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนปัญญาดีและปัญญาอ่อนนำมาถกเถียงกันอย่างให้เกิดประโยชน์ และตกลงกันไม่ได้สักทีว่าไก่กับไข่ยังไหนเกิดก่อนซึ่งส่วนมากเป็นการตอบเพื่อถกเถียงกันแล้วจบลงไม่ได้ก็ยังมีผู้นำไปถามโดยคิดว่าหลวงปู่คงไม่ตอบปัญหาแบบนี้ในที่สุดก็ได้ฟังคำตอบของหลวงปู่อย่างไม่เหมือนใครเลยคือวันหนึ่งพระเบิรมเข้าไปปฏิบัตินวดเท้าวถวายท่านแล้วถามว่าหลวงปู่ เก่กับใครอะไรเกิดก่อนหลวงปู่บอกว่าเกิดพร้อมกันนั่นแหละกล่าวเตือนบางครั้งหลวงปู่แทบจะลำทานกับพวกที่ปฏิบัติเพียงไม่กี่มากน้อยก็มาถามแบบเล่งผลให้ได้ทันตาเห็นท่านกล่าวเตือนว่าการปฏิบัติให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสารวม เพื่อความละเพื่อความคลายความกำหนักยินดีเพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมานหรือแม้พระนิพพานก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อจะเห็นทั้งนั้นให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากเห็นอะไรเพราะนิพพานมันเป็นช่องว่างไม่มีตัวตนหาที่ตั้งไม่ได้หาที่เปรียบไม่ได้ปฏิบัติไปจริงจะรู้เอง ละอย่างหนึ่งติดอีกอย่างหนึ่งลูกศิษย์ฝ่ายครือหัดผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเข้านมัส ก, การหลวงปู่รายงานผลการปฏิบัติให้หลวงปู่ฟังด้วยความภูมิใจว่าปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้พบหลวงปู่วันนี้ด้วยกระผมปฏิบัติตามที่หลวงปู่เคยแนะนําก็ได้ผลไปตามลําดับคือเมื่อนั่งลงภาวนา ก็เริ่มละสัญญาอารมณ์ภายนอกหมดจิตก็หมดความวุ่นจิตรวมจิตสงบจิตดิ่งสู่สมาธิหมดอารมณ์อื่นเหลือแต่ความสุขสุขอย่างยิ่งเย็นสบายและจะให้อยู่ตรงนี้นานเท่าไหรก่ก็ได้หลวงปู่ยิ้มและพูดเออก็ดีแล้วที่ได้ผลพูดถึงความสุขในสมาธิมันก็สุขจริง จะเอาอะไรมาเปรียบไม่ได้แต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นแหละยังไม่เกิดปัญญาเริยมรรคที่จะตัดภพชาติตัณหาอุปาทานได้ให้ละสุกนั้นเสียก่อนแล้วพิจารณาขันธห้าให้แจ้งแจ้งต่อไปปลาดลธรรมเสียเทียบ จิตของพระอริยะเจ้าชั้นโลกุตระนั้นแม้จะยังอยู่ในโลกคุกคีกับสิ่งแวดล้อมโดยสถานใดก็ไม่อาจจูงจิตของท่านให้ไข้เขวเชื่อปนกับสิ่งเหล่านั้นได้คือโลกธรรมไม่อาจครอบงำจิตได้เลยจิตไม้อาจกลายไปเป็นจิตปุตุชนได้อีกไม่อาจกลับไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตันหาได้อีกเปรียบเหมือน กะทิมะพร้าวที่คั้นออกมาแล้วเอาไปสําลอกหรือเคี่ยวด้วยความร้อนจนเป็นน้ํามันออกมาได้แล้วย่อมไม่กลับกลายไปเป็นกะทิเหมือนเดิมอีกแม้จะเอาไปปะปนและคนกับกะทิอย่างไรก็ไม่อาจทําให้น้ํามันนั้นกลายเป็นกะทิเหมือนเดิมได้ตัวอย่างเปรียบเทียบ มักผลมิพานเป็นสิ่งปัจจัตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตนโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงผู้นั้นเห็นเองแจ่มแจ้งเองหมดสงสัยในพระาศาสนาได้โดยสิ่นเชิงนิฉะนั้นแล้วจะต้องเดาเอาอยู่ร่ำไปแม้จะมีผู้สามารถอธิบายให้ลึกซึ้งอย่างไรก็รู้ได้แบบเดาสิ่งใดยังเดาอยู่ สิ่งนั้นก็ยังไม่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นเต่ากับปลาเต่า อ, อยู่ได้สองโลกคือโลกบนบกกับโลกในน้ำส่วนปลาอยู่ได้โลกเดียวคือในน้ำาถืนมาบนบกก็ตายหมดวันหนึ่งเต่าลงไปในน้ำก็พรรณนาความสุขความสบายบนบกให้ปลาฟังว่ามันมีแต่ความสุขสบายแสงสีสวยงามไม่ต้องลาบากมันอยู่ในน้า ตาพากันฟังด้วยความสนใจและอยากเห็นบกจึงถามเต่าว่าบนบกนั้นลึกมากไหมเต่าตอบมันจะลึกอะไรก็มันบกเอบนบกนี้มีคลื่นมากไหมมันจะมีคลื่นอะไรก็มันบกเอบนบกนั้นมีเปลือกตมมากไหมมันจะมีอะไรก็มันบก ให้สังเกต ด, ดูคำที่ปลาถามเอาแต่ความรู้ที่มีอยู่ในน้ำถามเต่าเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธจิตปุถุชนที่เดามักผลนิพพานก็ไม่ต่างอะไรกับปลาภายนอกกับภายในเมื่อเย็นวันที่สองเมษาสองพันห้าร้อยยิบสี่ หลังจากหลวงปู่กับจากพระราชพิธีในพระราชวังกำลัง พ, พักผ่อนอยู่ที่พระตำหนักทรงทศวัดประวันิเวศมีท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นนักปฏิบัติภาวนาองค์หนึ่งเข้าไปเยี่ยมสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขึ้นต้นคำถามว่าเขาว่าคนที่เป็นยักษ์ในชาติปางก่อนกลับมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นั้นเรียนคาถาอาคมอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทุกอย่าง เป็นความจริงแค่ไหนครับผมหลวงปู่ลุกขึ้นนั่งฉับไบแล้วตอบว่าผมไม่เคยได้สนใจเรื่องอย่างนี้เลยท่านเจ้าคุณเคยภาวนาถึงตรงนี้ไหมกิริยาที่จิตยิ้มเองโดยปราสจากเจตนาที่จะยิ้มเกิดในจิตของเหล่าพระอริยะเจ้าเท่านั้นไม่มีในสามัญชนเพราะพ้นจากเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งแล้ว เป็นอริยะด้วยตัวมันเองแค่สีห้าก็ไม่มีพระมหาเทระผู้ใหญ่แต่ละรูปนั้นย่อมจะมีลูกศิษย์เป็นจานวนมากทั้งขรุขระและบรรพชิตบรรดาศิษย์เหล่านั้นย่อมมีทั้งดีและเลวโดยเฉพาะศิษย์ฝ่ายพระองค์ที่ดีก็ดีถมเถองค์ที่เลว ก็พอมีปะปนอยู่บ้างเช่นมีพระผู้ใกล้ชิดองค์หนึ่งชอบถือวิสาสะจนเกินควรคือชอบหยิบเอาข้าวของบางอย่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมีผู้บอกให้หลวงปูไ่ได้ทราบแต่หลวงปู่ก็วางเฉย อ, อยู่แล้วครั้งหนึ่งท่านต้องการใช้ของอันนั้นจึงให้พระอีกองค์หนึ่งไปถามหาแต่ถูกปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เอาไป พระองค์นั้นจึงกลับมาบอกหลวงปู่ว่าขอปฏิเสธไม่ได้เอาไปหลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงจะพูดออกมานิดหนึ่งว่าพระบางองค์มัวแต่ตั้งใจรักษาศีล227ขอ้อจนลืมรักษาศีลห้าไม่เคยหวนไห้ในเหตุการณ์อะไร เวลาสีทุ่มผ่านไปแล้วเห็นหลวงปู่ยังนั่งพักผ่อนอยู่การสบายจึงเข้าไปกราบเรียนว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ขาวมรณภาพเสียแล้วหลวงปู่แทนที่จะถามว่าด้วยเหตุใดเมื่อไรก็ไม่ถามกลับพูดต่อไปเลยว่าท่านอาจารย์ขาวก็หมดภาระการแบกหามสังขารเสียทีพบกันเมื่อสี่ปีที่ผ่านมา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 ย่อมละและระงับได้เร็วไม่กังวลไม่ยึดถือหมดภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันก็แค่นั้นเอง<ก>ผู้ที่เข้าใจธรรมะได้อย่างถูกต้องหายากเมื่อไฟไม่จังหวัดสุรินครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้วผลคือความทุกข์ยากสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัว และเสียใจอะไรอาวรณ์ในทรัพย์สินถึงขั้นเสียสติไปก็หลายหลายวนเวียนมาลำเลิกให้หลวงปู่ฟังอุตส่าห์ทาบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตั้งนานปู่ย่าตายายทำไมบุญกุศลถึงไม่ช่วยทำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุ้มครองไฟไหม้บ้านวอดวายหมดแล้วเขาเหล่านั้นเลิกเข้าวัดทำบุญไปหลายหลาย เพราะธรรมะไม่ช่วยเขาให้ผลจากไฟไม้บ้านหลวงปู่ว่าไฟมันทำตามหน้าที่ของมันธรรมะไม่ได้ช่วยใครลักษณะ น, นั้นหมายความว่าความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมสลายความพลาดพลาดจากกันสิ่งเหล่านี้มันมีประจาโลกอยู่แล้วทีนี้ผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้ว จะวางใจอย่างไรจรึงไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ตังหากไม่ใช่ธรรมะเชื่อไม่ให้แก่ตายไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องปฏิบัติจึงหมดสงสัยเมื่อมีผู้ถามถึงการตายการเกิดใหม่หรือถามถึงชาติหน้าชาติหลัง หลวงปู่ไม่เคยสนใจที่จะตอบหรือมีผู้กล่าวค้านว่าเชื่อหรือไม่เชื่อในโกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงประการใดหลวงปู่ไม่เคยคว้าหาเหตุผลเพื่อจะเอาค้านใครหรือไม่เคยหาหลักฐานเพื่อยืนยันให้ใครยอมจำนวนแต่ประการใดท่านกลับแนะว่าผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้น ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลังหรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างแน่วแน่รรนดดแก็พ อ, อ, อ, อถ้าสวรรค์มีจริงถึงสิบกชั้นตามตำราผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมได้เลื่อนฐานะของตนโดยลำดับหรือถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีเลยผู้ปฏิบัติดีแล้วในขณะนี้ก็ย่อมไม่ไร้ประโยชน์ ย่อมอยู่เป็นสุขเป็นมนุษย์ชั้นเลิศการฟังจากคนอื่นการค้นคว้าจากตำรานั้นไม่อาจแก้ข้อสงสัยได้ต้องเพียงปฏิบัติทำวิปัสสนายามให้แจ้งความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิงเขาต้องการอย่างนั้นเองแม้จะมีคนเป็นกลุ่ม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 อยากรู้อยากเห็นอะไรจิตมันบันดาลให้รู้ให้เห็นได้ทั้งนั้นและรู้ได้เร็วเสียด้วยหากพอใจเพียงแค่นี้ผลดีที่ได้ก็คือทำให้กลัวการเ ย, ยนตายเ ย, ยนเกิดในภพที่ตกตำ่ำแล้วตั้งใจทำดีบริจาคทานรักษาศีลแล้วก็ไม่เหยียดเยยนกันพากันไปยิ่นยิ้ม ย, ย่องในผลบุญของสน ส่วนการที่จะขจัดกิเลสเพื่อทำลายอาวิชชาตันหาอุปาทานเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างชิ้นเชิงนั้นอีกอย่างหนึ่งต่างหาไม่มีนิทานสาธทกอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ตลอดระยะเวลายาวนานคำสอนของท่านไม่เคยมีนิทานสาโกหรือนิทานสนุกอะไร ที่หลวงปู่ยกมาบรรยายให้ฟังสนุกสนุกเลยไม่ไวาชาดุหรือเรื่องประกอบในปัจจุบันคำสอนของท่านล้วนแต่เป็นศัจธรรมขั้นปรมัติหรือไม่ก็เป็นคำจำกัดความอย่างกระทัดรัดชนิดระมัดระวังหรือคล้ายกับประหยัดคำพูดอย่างยิ่งแม้แต่การสอนพิธีกรรมหรือศาสนาพิธีและการทาบุญบริจาคทานอะไรในระดับศีลธรรม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 ทำให้หลวงปู่ต้องทรมานสังขารถึงปานนี้ในที่สุดเมื่อไปถึงศาลาใหญ่บนยอดถ้ำขามท่านอาจารย์ฟัน่นกาบหลวงปู่เสร็จท่านอาจารย์เทศขึ้นไปถึงพอดีเมื่อเห็นพระเทระสาคัญทั้งสามรูปไปพบกันโดยบังเอิญเช่นนี้และท่านสนทนาวิสาสะกันด้วยบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นนั้นความทุกข์หายหมด ความปลื้มปิติก็เข้ามาแทนที่ท่านอาจารย์ฟันกล่าวแสดงความยินดีกับหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์จุกภาพแข็งแรงดีอายุ ป, ปูนนี้ยังสามารถขึ้นถ้ำถามได้หลวงปู่กล่าวว่าก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่หรอกผมติดตรองดูแล้วเห็นว่าไม่มีวิบากของสังขารเมื่ออาศัยไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยเท่านั้นแหละ ยิ่งแปลกอีกไม่ต้องสงสัยว่าญาติโยมที่นั่งห้อมล้อมจํานวนมากนั้นจะตื่นเต้นดีใจขนาดไหนที่เห็นพระเถระสำคัญนั่งอยู่ด้วยกันโดยบังเอิญคือหลวงปู่ดุลหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศโอกาสเช่นนี้หาได้ง่ายที่ไหนตากล้องจากสุรินสองคนตั้งหน้าถ่ายรูปเอาอย่างเต็มที่ขากลับ บนรถบัสใหญ่นั่นเองช่างถ่ายรูปเห็นว่าทุกคนกระหายที่จะได้รูปเขาจึงพูดว่าจะขยายสิบสองนิ้วจำน่ายเอาเงินบำมรุงวัดป่าจอมพระอตมาคิดแต่ในใจว่าการเอารูปครูบาอาจารย์ไปตีราคาจำน่ายเช่านี้ดูไม่ค่อยงามนักแต่เขาก็สั่งจองกันเกือบทุกคนเมื่อช่างเอาฟิล์มไปล้าน ปรากฏว่าฟีมที่อุตสาห์ถ่ายไม่ต่ำกว่ายี่สิบครั้งนั้นมีลักษณะใสสะอาดเหมือนหนึ่งท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอกฉะนั้นความหวังที่จะได้รูปก็สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นการพบกันของพระเทละสสำคัญทั้งสามนั้นเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแล้ว ว่าไปตามความเป็นจริงอย่างไรเมื่อมีผู้ถามหลวงปู่เคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นที่มีหลายท่านเขียนไว้อย่างมากมายหลวงปู่ตอบว่าเคยอ่านเหมือนกันที่เขาเขียนถึงอพินิหารของท่านต่างๆนานานั้นหลวงปู่เข้าใจว่าอย่างไรหลวงปู่ว่าเมื่อสมัยเราเคยอยู่กับท่านก็ไม่เห็นท่านเล่าบอกว่าอย่างไร ตามปกติของหลวงปู่เมื่อท่านเล่าถึงท่านอาจารย์ท่านจะพูดถึงเฉพาะกิจทุดงของท่านอาจารย์มั่นเท่านั้นว่าผู้ที่ถือทุดงในรุ่นต่อมายังไม่เห็นมีใครถือได้เคร่งคัดเท่าท่านเลยแม้แต่คนเดียวนุ่งห่มเฉพาะผ้าบางสกุลที่ตัดเย็บย้อมเองไม่ใช้ผ้าสำเร็จรูปจากคนอื่นอยู่เสนาชนะป่าตลอดชีวิตฉันแต่อาหารที่บินทบาทได้ในบาท แม้อ า, าพาธหนักยังอุตส่าห์นั่งอุ้มบาทให้เขาใส่ไม่ถืออนิสงพันษาไม่รับกระถินตลอดถึงไม่ก่อสร้างหรือชวนทำการก่อสร้างปฏิปุชาด้วยความคุ้นเคยและอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่มาเป็นเวลานานเมื่ออจะมาถามปัญหาอะไรท่านหลวงปู่ ท่านมักจะตอบด้วยการย้อนถามกลับคืนทํานองให้คิดหาคำตอบเอาเองเช่นถามว่าพระอรหันต์ท่านมีใจสะอาดสว่างแล้วท่านอาจรู้เลขหวยได้อย่างแน่นยําหรือครับท่านตอบว่าพระอรหันต์ท่านใส่ใจเพื่อจะรู้สิ่งเหล่านั้นเองหรือถามว่าพระอรหันต์ท่านเคยนอนหลับฝันเหมือนคนธรรมดา ด้วยหรือเปล่าครับท่านตอบว่าการหลับแล้วเกิดฝันเป็นเรื่องของสังขารขันไม่ใช่หรือท่านถามว่าปุถุชนธรรมดายัางหนาด้วยกิเลสแต่มีความสามารถสอนคนอื่นให้เข้าบรรลุถึงพระอารหันต์เคยมีบ้างไหมครับหลวงปู่ท่านตอบว่าหมอบางคนทั้งที่ตนยังมีโรคอยู่ แต่ก็เคยรักษาคนอื่นให้หายจากโรคได้มีอยู่ทั่วไปนี่ใช่หรือปกตินิสัยประจำตัวของหลวงปู่ทางกายมีร่างกายแข็งแรงกระฉับ ก, กระเฉงว่องไวสมสัด ส, ส่วนสะอาดปราศจากกลิ่นตัวมีอาภาษน้อยท่านจะส่งน้ำอุ่นเพียงวันละครั้งเท่านั้นทางวาจา เสียงใหญ่จะพูดเบาพูดน้อยพูดสั้นพูดจริงพูดตรงปราจะแจกมารยาทางคําพูดคือไม่พูดเลียทเคียงไม่พูดโอ้ไม่พูดตลอบโยนไม่พูดประชดไม่พูดบินทาไม่พูดขอร้องขออภัยไม่พูดขอโทษไม่พูดถึงความฝันไม่พูดเล่านิทานชาดกหรือนิทานปาลัมปราเป็นต้นทางใจมีสัจจะ ตั้งใจทำสิ่งใดแล้วทำจนสำเร็จมีเมตตากรุณาเป็นประจำสงบสงเสง่ยมเยือกเย็นอดทนไม่เคยมีอาการกระวนกระวายวู่วามไม่แสดงอาการอึดอัดหงุดหงิดหรือรำคาญไม่แสวงหาของหรือสั่งสมหรืออะไราอาวรณ์กับของที่สูญหายไม่ประมาทรุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะและเบิกบานอยู่เสมอเป็นอยู่้วยปาศจากทุกข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 หลวงปู่อาภาสนกะอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นวันที่17ของการอยู่โรงพยาบาลคืนนั้นหลวงปู่มีอาการอ่อนเพลียอย่างมากถึงต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจโดยตลอดเวลาเด็กมากแล้วคือ6ทุ่มกว่าอาจารย์ยังตักพร้อมด้วยบริวารหลายท่านเข้าไปขอากาบเยี่ยมหลวงปู่เมื่อเห็นกรณีพิเศษจึงให้ท่านเข้าไปกาบเยี่ยนได้ หลวงปู่นอนตะแขงขวาหลับตาตลอดเมื่อคณะของอาจารย์ยันตะกราบนวัสกาแล้วอาจารย์ยันตะขยับเข้มไปชิดหูหลวงปู่แล้วถามว่าหลวงปู่ยังมีเวทนาอยู่หรือหลวงปู่ตอบว่าเวทนากับร่างกายนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลย เดินทางรับที่ปลอดภัยเมื่อวันที่20มีนาคม2526ก่อนที่หลวงปู่จะกลับจากโรงพยาบาลจุฬาได้ชักชวนกันทาบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ ป, ปรรดะชนที่สร้างโรงพยาบาลที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อพิธีถวายสังฆทานผ่านไปมีนายแพทย์และนางพยาบาลจำนวนหนึ่งเข้าไปกราบน้ักสหลวงปู่ แสดงความดีใจที่หลวงปู่หายจากอาการอาภาษท์ครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวปียาวาจาว่าหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีหน้าตาสดใสเหมือนกับไม่ได้ผ่านอาการอาภาษคงจะเป็นผลที่หลวงปู่มีการภาวนาสมาธิจติตดีพว ก, กผมมีเวลาน้อยหาโอกาสเพียรภาวนาสมาธิได้ยากมีวิธีใดบ้างที่จะปฏิบัติได้ง่าย หรือโดยย่อที่สุดหลวงปู่ตอบว่ามีเวลาเมื่อไรให้ปฏิบัติเมื่อนั้นการสุดจิตการพิจารณาจิตเป็นวิธีลัดที่สุดทั้งหมดอยู่ที่ความประพฤติตตลอดชีวิตของหลวงปู่ไม่เคยยอมรับการถือเลิกงามยามดีอะไรเลยแม้จะถูกถามหรือถูกขอให้บอกเพียงว่า จะบวชวันไหนจะสึกวันไหนหรือวันเดือนปีไหนดีเสียอย่างไรหลวงปู่ก็ไม่เคยเผลอเอออวยด้วยมักจะพูดว่าวันไหนเดือนไหนก็ดีทั้งนั้นแหละคือถ้ามีผู้มาขอเช่นนั้นท่านมักจะให้เขาหาเอาเองหรือมักบอกว่าวันไหนก็ได้ถ้าสะดวกดีและเป็นเลิกดีทั้งหมดหลวงปู่สรุปว่าทุกอย่าง รวมอยู่ที่ความประพฤติคือเลือกดีเลือกร้ายโชคดีโชคร้ายเรื่องเคราะกรรมบาปบุญอะไรทั้งหมดนี้ล้วนออกจากความประพฤติของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่เคยกระทำแบบแสดงหลวงปู่ไม่มีมายาในคางอยากโชว์เพื่อให้เด่นให้สง่าแก่ตัวเอง เช่นการถ่ายรูปท่านถ้าใครอยากได้รูปถ่ายท่านก็ต้องหาจังหวะให้ดีระหว่างที่ท่านผมผ้าใสสังฆาติเรียบร้อยหรือลงปฏิโมหรือบวชหน้าหรือเข้าพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขอท่านถ่ายรูปท่านในจังหวะนี้ยอมได้ง่ายเมื่อท่านอยู่ตามธรรมดาแล้วขอร้องให้ลุกไปถ่ายผมผ้ามาตั้งท่าให้ถ่ายแบบนี้หวังได้ยากอย่างยิ่ง เช่นมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งจากกรุงเทพนำพ้าห่มชั้นดีไปถวายหลวงปู่เมื่อหน้าหนาวพอถึงเดือนห้าหน้าร้อนพรเอิญเขาได้ไปจับหลวงปู่อีกจึงขอให้ท่านเอาผ้ห่มให้เขาถ่ายรูปด้วยเพราะตอนถวายไม่ได้ถ่ายไวหลวงปู่ปฏิเสธว่าไม่ต้องหลอกแม้เขาจะขอเป็นครั้งที่สองที่สามท่านก็ว่าไม่ต้องไม่จาเป็นอยู่นั่นเอง เมื่อสุภาพสตินั้นลา ก, กลับไปแล้วอาตมาไม่ค่อยสบายใจก็ถามท่านว่าโยมไม่พอใจหลวงปู่ทราบไหมหลวงปู่ยิ้นแล้วตอบว่ารู้อยู่ที่เขามีความไม่พอใจก็เพราะใจเขามีความไม่พอสิ้นชาติขาดพบพระมหาเถระผู้ใหญ่ ฝ่ายยิปัสนากรรมฐานสนทนาธรรมท่านปรมาติกับหลวงปู่หลายข้อแล้วลงท้ายด้วยคำว่าพระเถระนักปฏบิบัติบางท่านมีปฏิปทาดีน่าเชื่อถือแม้พระด้วยกันยังยอมรับว่าท่านเป็นผู้ที่บ้นนคงในพระศาสนาแต่ในที่สุดก็ไปไม่ลอดถึงขั้นต้องสึกหาลาเพศไปก็มีหรือไม่ก็ทาไข้เผประพฤติตัว มัวหมองอยู่ในพระธรรมวินัยก็มีจึงไม่ทราบว่าจะปฏิบัติถึงข่านไหนอีกจึงจะตัดสังสารวัตรให้สิ้นพบสิ้นชาติได้หลวงปู่กล่าวว่าการสำรวมสำเหนียดในพระวินัยอย่างเคร่งครัดและสมาทานทุดงนั้นเป็นปฏิปทาที่ดีงามอย่างยิ่งน่าเลื่อมใสแต่ถ้าจเจริญจิตไม่ถึงอธิจิตอธิปัญญาแล้ว ย่อมเสื่อมลงได้เสมอเพราะยังไม่ถึงโลกุตรภูมิที่จริงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยเพียงแต่จเจริญจิตให้รู้แจ้งในขันห้าแทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทหยุดการปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาจิตมันก็จบแค่นี้เหลือแต่บริสุทธิ์สะอาดสว่างว่างมหาสุนตตา ว่างมหาสาล